ที่ให้พวกเราอยู่ในอิริยาบถอิสระเนี่ยจุดประสงค์ก็คืออะไรคือแปลว่าในคราที่เราใช้ชีวิตในความจริงในความจริงของชีวิตเราเวลาเราอยู่ในข้างนอกเมื่อสี่สิบนาทีเมื่อตะกี้เนี่ยมันเป็นสนามฝึกเป็นสนามฝึกไอข้างนอกที่เราออกจากตรงนี้ไปเนี่ยคือสนามจริง ในสนามฝึกเมื่อตะกี้ถ้าเราสังเกตดูการอยู่ในอิริยาบถอิสระเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นถึงอกุศลเพื่อให้ดูอกุศลเพื่อระวังอกุศล <c oughs> ว่าอากุศลโดยเฉพาะความคิดที่เป็นอกุศลที่มันเกิดในคราวที่เรารู้อยู่กับการเดินอยู่ในอิริยาบถใหญ่ อยู่กับอริยาบทย่อยหรืออยู่กับลมหายใจเนี่ยในระหว่างที่มันเป็นอิสระคราใดที่กิเลสมันออกมาไอจิตที่รู้ตัวสติของเราก็หายออกไปมันกั้นไม่อยู่ถ้ากั้นไม่อยู่กิเลสออกมาปั๊บมันจะเป็นอกุศลเกิดดัะนั้นความคิดที่เป็นอกุศลมันจึงเกิดได้ทั้งขณะที่เรายืนทั้งขณะที่เราเดินทั้งขณะที่เรานั่ง ทั้งขณะที่เราอยู่ในอิริยาบถต่างๆถ้าจิตไม่รู้ทันในอิริยาบถนั้นๆมันก็จะเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาถ้าอากุศลเกิดแล้วเราทำอย่างไร เ, เ, เราก็จะต้องไม่ให้อกุศลนั้นมีอำนาจเหนือจิตของเราอากุศลเวลามันมีอำนาจเหนือจิตมันก็จะควบคุมจิตเราให้มันตรึกไปกับอกุศลนั้นๆ เชนในระหว่างที่เราอยู่ในอียิราบอิสระเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปับ๊บมันอกุศลมาเกิดมันจะทําให้เราหยุดความเพียนหยุดความเพียนทันทีเลยไม่ต่อเนื่องทันทีเลยแล้วเราจะทํำยังไงถ้าเรายอมเขาเรายอมต่ออกุศลเราจะสังเกตได้เลยว่าระยะที่เรายอมอกุศลเนี่ยอกุศลจะขยี้จิตของเราเวลาอากุศลขยี้จิตของเราเนี่ย การรู้ลมหายใจก็ดีการรู้ในอิริยาบถก็ดีมันก็ถูกหยุดไปด้วยพอถูกหยุดแล้วเป็นยังไงจิตเราก็ปรุงแล้วก็เกิดการครุ่นคิดขึ้นมาเพรา ะ, ะนั้นตรงนั้นเราจึงจะต้องใช้สั ม, มปทานจึงใช้วิชาพระพุทธเจ้าชื่อว่าสั ม, มปทานคือความเพียรในการละอกุศลนั้นให้ได้ เขาเกิดไม่ใช่ไม่ดีนะเขาเกิดคือดีดีตรงไหนดีตรงที่ทําให้เราได้เห็นเขาเห็นเขาแล้วเราก็ทําให้จิตไม่อยู่ในอํานาจแม่เขามีอํานาจในจิตเราแล้วก็ให้จิตนี้สามารถมองเห็นเขาดับได้ด้วยด้วยเจตนาของเราเพราะฉะนั้นเมื่ออกุศลเกิดพึงสังวรไวไง้ง่ายดีเราจะต้องดูเขาอากุศลอย่าไปอยู่ในอํานาจเขา มันจะไม่เกิดปัญหาเลยถ้าเราเห็นปัสตโตนัตถิกินจนันังพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเห็นเขาเราก็จะไม่เกิดเครื่องกังวลใดๆแต่ถ้าเราไม่เห็นช่องว่างที่เราไม่เห็นเขาก็จะครอบงำจิตของเรามันก็นั่งปรุงแต่งคุุนคิดไประยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นเขาดูเขาดูให้เขาดับดูจนกระทั่งเขาหายไป ถ้เราดูจริงๆจิตเป็นกลางแน่ๆอยู่กับความเป็นกลางเห็นกุศลเกิดแล้วเนี่ยมันอยู่กับความเป็นกลางได้ดแป๊บเดียวมันก็ดับเห็นป๊อปตับเลยแต่ถ้ามันไม่ดับจิตมันไปเผลอครุ่นคิดปรุงแต่งแล้วก็ดูรู้สึกเหมือนดูแต่มันมีการคุปรุงแต่งมันก็ยังขยี้อยู่นั่นแหะเราจะทํำยังไงเราจะต้องยกจิตกลับมาสู่ลมหายใจทันที เรายกจิตกลับมาสู่ลมหายใจตนที่รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆจนอกุชนนั้นมันดับไปไปดูจริงเอามันดับไปแล้วมันหายไปแล้วเพราะะฉการฝึกให้เห็นถึงอกุศลดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เป็นสมบพทานเป็นความเพียรที่เป็นมหาประทานซึ่งเราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันตอนทีนี้เรากลับไปอยู่ในชีวิตประจําวันของเรา เราออกจากนี้ไปแล้วเราอยู่ในชีวิตประจำวันของเราชีวิตประจำวันของเราก็ตื่นนอนขึ้นมาตั้งแต่ตื่นอนอนยันนอนหลับของวันหนึ่งเราจะมีเรื่องทำอะไรก็ตามเราก็ต้องใช้กายใจนี้เป็นตัวทำงั้นการเคลื่อนไหวในระหว่างวันนั้นเราก็สามารถที่จะอยู่กับสติอย่างนี้ได้ตลอด และคราใดที่อกุศลเกิดขึ้นจากการกระทบที่เคลื่อนไหวนั้นและกระทบอกุศลมันสามารถเกิดได้ตลอดเวลาเพราะเราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งข้างนอกจิตเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งข้างนอกสิ่งข้างนอกคือพวกรูปพวกสีพวกกลิ่นพวกรสพวกคนพวกสัตว์พว ก, ส, พวกสิ่งของพวกอรเรื่ อ, อยๆเยอะมากมายที่เราไปยุ่งเกี่ยวมันก็สามารถที่จะเกิดอกุศลได้แต่เมื่อใดที่อกุศลนั้นเกิดเราจะต้องหัดละมัน ต้องควบคุมจิตไม่ให้อยู่ในอำนาจของอกุศลอันนี้เป็นตัวพิสูจน์ความเพียรของ เ, เป็นพิทูร์ตัวพิสูจน์ความเพียรและการพัฒนาของสติสมาธิของเราถ้าแต่เดิมเราไม่มีสติที่พัฒนาไม่มีสติที่อบรมไม่มีสมาธิที่ผ่านการอบรมให้มากทำให้มากเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออกุศลได้รู้แหละว่ามันไม่ดี รู้แล้โอ้อย่างนี้มันไม่ดีรู้แล้วว่าอย่างนี้มันไม่ดีแต่กว่าจะรู้นะคือมันจบเสร็จแล้วเสร็จจิจของความเป็นอกุศลแล้วกว่าจะรู้นะเสร็จกิจของความเป็นอกุศลแล้ ว, ว, นะ ว, แ, ลวแต่พอสติสมาธิที่เราพัฒนาเราพยายามกันอยู่เนี่ยแล้วพระเจ้าบอกว่าจีรังวายาดีวาติดทั้งนิสินโดอุดวาสยังเราจะเดินอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามโยวิตตะตังวิตตเกติ ปาเปกังเคหะนิสิตังวิตกอันใดความคิดอันใดที่เป็นอกุศลอันอาศัยกายนี้แล้วเกิดขึ้นกายคือชีวิตเราเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในขณะของเป็นอิริยาบถยืนก็ดีนั่งก็ดีเดินก็ดีนอนก็าตามมันเกิดเป็นอกุศลขึ้นให้ <c oughs> เราต้องทํำยังไงเราก็จะต้องโยวิตกังสมายิตวานนะ ให้ละลายวิตกคือความคิดอ น, นั้นคือทำความคิดอนันั้น่ะให้มันสงบสังกับปานังวสาโนโคไม่ให้มันมให้แม่จิตเป็นไปในอำนาจของความคิดนั้นคือถ้าจิตเป็นไปในอำนาจของความคิดที่เป็นอกุศลแล้วก็เสร็จจบกัน แต่ถ้าเราสามารถให้จิตสัมผัสกับการดับไปของอกุศลโดยที่จิตไม่ต้องตกไปอยู่ในอำนาจของมันมันก็จะเกิดวิตกูปสมเมระโตลังท่านลองไปปฏิบัติดูในชีวิตประจําวันและและเราสามารถรู้นะด้วยจิตใจของเรานิสัยสันดานของเราว่าเรามีอกุศลตัวไหนที่มันเกิดบ่อยบ่อยเออเข้าไปบ้านแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เข้าไปที่ทํางานแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ ไปถึงตรงตัวนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เจอกับเหตุการณ์นั้นคนนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรารู้ว่าอากุศลตัวไหนที่มันเกิดบ่อยกับเรารู้ไว้ก่อนเลยแล้วก็ตั้งใจไว้เลยถ้าอากุศลตัวนี้เกิดเราจะไม่ให้มันมีอานาจเหนือจิตเราจะดูรู้เห็นมันเกิดและให้เห็นมันดับโดยที่ไม่ให้มันมีอานาจเหนือจิตของเรา ถ้าเราตั้งใจอย่างนี้ได้แล้วพอมันเกิดขึ้นมาได้แล้วเราทําให้มันเห็นได้ให้มันละลายออกไปได้มันก็จะเกิดความสงบความสงบคืออะไรความสงบเกิดจากการที่จิตของเราเนี่ยไม่ไปตกอยู่เป็นภาระของอากุศลตัวนั้นนะมันดับไปโดยที่จิตของเราไม่เป็นภาระของอกุศลแล้วมันละลายออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะสงบขึ้นมาถ้าเปรียบอกุศลเหมือนกับข้าวสารสักัดสอบหนึ่งอ่ะพอมันเกิดขึ้นมามันก็ไปอยู่บนบ่าเรา เราจะทํำยังไงเราไม่อยู่ให้เป็นให้ให้ตัวเข้าเราเป็นภาระของข้าวสารหนึ่งกระสอบนั้นเราก็สลัดข้าวสารกระสอบนั้นนะออกไปจากบ่าของเราอะไรเกิดขึ้นความเบาเห็นไหมความเบาความสบายความไม่อึดอัดความอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าเรียกว่าความสงบวิตาคูปัสะเบระโตมันก็จะเกิดความสงบความสงบนี้พอเกิดขึ้นแล้วเป็นไง ถ้าเกิดว่าเราเดินแบกข้าวสารมาหนึ่งร้อยกิโลเรารู้สึกอึดอัดร้อนเหนื่อยแต่เราไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรโอ า, ามันอึดอัดมากเลยชีวิตแต่พอเราวางข้าวสารหนึ่งกระสอบที่อยู่บนร้อยกิโลที่อยู่บนบ่าเราลงไปเนี่ยอาการที่เกิดเป็นไงสกปรเบาเย็นสบายพอสกปรเบาเย็นสบายมันจะเกิดกอะไรพอใจใช่ไหมเกิดความพอใจในความสกปที่มันเกิด จากการที่ได้วางข้าวสารไปลงหนึ่งกสอบนั่นน่ะเหมือนกันเลยจิตที่แบกภาระต่ออกุสลเราไม่รู้เลยเราบางครั้งมันมีอกุศลเกิดขึ้นที่จิตเราแล้วเราก็เครียดอาการเครียดอาการหุ่น ง, งานอาการฟุ้งซ่านของจิตที่ดิน้นรนเดือดร้อนสับสนอยู่ในแตขน่ขณะขณะขณะของการเคลื่อนไหวนั้นมันเป็นภาระให้กับจิตหนักมากดังสำนวนที่เขาพูดหนักอกหนักใจอกุศสนนั้นน่ะที่เกิดที่แผดเผาอยู่อ่ะแต่พอเรา จ้องดูเขาเอาสติกับสมาธิที่มีจ้องดูเขาไม่ให้จิตอยู่ในอำนาจของเขาจนเขาดับไปจิตมันก็เกิดความเบาความสว่างความสงบขึ้นมาความเบาความสว่างความสงบที่เกิดนี่แหละมันจะทำให้เกิดความพอใจพระพุทธเจ้าทีบอกว่าวิตกูปะสะเบรโตคือเกิดความยินดีในความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่อกุศลดับไปประโยคนี้จาไม่ดีจาไว้ วิตกูบาสเบรโตคือความยินดีในความสังห์ที่เกิดขึ้นจากการที่อากูสนนั้นดับไปนี่คือเส้นทางของสำโพธิมุตและความยินดีนั้นแหละเรียกว่าธรรมฉันทะความยินดีที่อากูสนมันเกิดเรียกว่าฉันทราคะ ความยินดีที่เอากุศลมาดับความยินดีในความโศกที่เกิดขึ้นจากการที่อกุศลมาดับน่ะเรียกว่าธรรมฉันทะและธรรมฉันทะนี่แหละเป็นเส้นทางที่เรียกว่าสัมโพธิมุติขอให้ได้สักครั้งเถอะน่ะเพราะว่าอกุศลมันเกิดไหมเกิดป่หรกเกิดไหมเกิดเกิดป่าเกิดเกิดไหมเกิดเกิดเกิดเกิดมีใครไม่เกิดอกุศลมั้งไม่มี เมื่อกี่สี่สิบนาทีที่อยู่ในอิริยา บ, บุสระมันก็มาเป็นแบบแบบแบบแบบแบบแบ บ, แ บ, บ, แ บ, บมาไหมมามาไหมมีใครไม่มายกคึกมือขึ้นไม่มีหรอกเพราะกิเลสสชาติมันอบรมเรามาหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้มันมาของมันเองอืมาด้วยอํานาจของสัญญามาด้วยอํานาจของผัสสะมาด้วยอํานาจของเวทนามาด้วยอํานาจของอู้เยอะแยะมากมายแต่ เราเอาสติกับสมาธิมาดูการเกิดของมันไม่ให้จิตอยู่แนมนาจแล้วก็เห็นการดับของมันถ้ามันเกิดตั้งอยู่มันไม่ดับเราก็ให้มันละลายออกไปโดยยกจิตกลับมาสู่ลมหายใจหรือยกจิตกลับไปสู่การเคลื่อนไหวของเท้าหรือยกจิตกลับมาสู่การเคลื่อนไหวของมือ แต่เมื่อเคลื่อนไหวไปได้ระยะหนึ่งมันดับไปแล้วไอ้จิตไปดูด้วยความรู้ชัดว่าอากุศลที่มันเกิดเมื่อตะกี้ซึ่งเราไม่ได้อยู่ในอานาจมันและเราตั้งใจให้มันดับไปนั้นบัดนี้มันดับไปแล้วมันดับโดยที่เจตนาของเราไม่ให้อยู่ในอํานาจแม่จิตอยู่ในอานาจเนี่ยมันสัมผัสแบบนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าต่อหลังมันก็จะเกิดเป็นความสงบขึ้นมา ความสงบที่เกิดขึ้นนั่นแหละแล้วมันจะเกิดความยินดีในความะหบที่เกิดจากการอากุศลดับเรื่องนี้สําคัญมากให้พวกเราเปิดใจแล้วก็แคร์กับเขาแคร์กับการที่จะทําให้อกุศลมันดับโดยที่จิตไม่ต้องไปอยู่ในอานาจของมันถ้าอย่างนี้มันก็เป็นสัมมัปปทานสัมมัปปทานก็คือความเพียรที่เป็นสัมมาวายายมะเป็นความเพียรที่เข้าประกอบในองค์ของมรรค ซึ่งสำหรับคนที่ไม่ภาวนามันจะทำยากไงและถ้าพูดอย่างนี้กับคนที่ไม่ภาวนาเลยไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมสติเลยเนี่ยมันจะยากยากตรงไหนนี่ยากตรงที่ว่ามันเรื่องของกล่ะใช่ไหมอะเอาภรรยาไปพูดสามีได้ไหมเอาสามีกาลัง น, น, น่าเครียดๆอยู่ไปพูดอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวเห อ, เ, อเดี๋ยวเหอะเพราะว่าอะไรเพราะ อาคุศลมันมันยึดพื้นที่จิตไปหมดแล้วไมันไม่เหลือพื้นที่จิตไว้ให้ใครมาเตือนแล้วเข้าใจป่ะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นมันยากแต่พอเราเริ่มภาวนาเราเริ่มมีที่อยู่ของจิตโดยที่เป็นกลางจิตมันรู้โดยอารมณ์ที่เป็นกลางแล้วเนี่ยพอมันเกิดปั๊บเนี่ยโดยเฉพาะมีครูบาอาจารย์คอยบอกด้วยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็รู้แนวมันแล้วพอมันเกิดปั๊บอ้โหอย่ายงนี้ไงที่หลวงพ่อบอก อ๋ออย่างงี้นี่อีกหลวงพ่อบอกเอ๋อมันมาแล้วไอสบายวันนี้กินฉันไม่ลงแน่อ้าวใช่ไหมเออมันกินฉันไม่ลงแน่ดูสิเอาแล้วมาแล้วเอาให้มันสงบเอาให้มันละลายเอาให้มันละลายดูสิมันละลายไหมไม่ละพระพุทธเจ้าได้ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านี่โอ้โหช่างประเสริฐมากเลย พยายามพยายามอธิบายชี้แนะแยกแยกระยกอุปมาอุปไม้นะพระ เ, เจ้าเปรียบไว้เหมือนใช้เหมือนเต่าใช่ไหมเปรีอบเหมือนเต่าใช้วิชาต่อไอ้พวกพวกอกุศลนี่เหมือนสุนัข ก, กิ้งจอกที่มายืนล้อมจะกินเต่าพอสุนัข ก, กิ้งจอกมาล้อมจะกินเต่าเต่าก็หดหางหดหดขาเ ข, ข้าไปอยู่ในกระดองอืไม่ยอมอยู่ในอำนาจของสุนัขจิ้งจอก สุนักกินจอก็ไม่ยอมรล ะ, ละว้าโวนอยู่นั้นน่ะตั้งใจไว้ว่าถ้ามันไอเต่ามันโผล่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกมานะจะงับงับเสร็จแล้วจะสะบัดสะบัสะบั ด, บ, ดบัดจนกระทั่งกินได้ทั้งตัวสะบัดจนกระทั่งหนังหลุดออกจากกระดองอ่ะจนกินได้ทั้งตัวแต่เต่ามันมันไม่โผล่ดิมันหดอยู่นั้นน่ะไอสุนักกินจอก็โวนโวยววนในที่สุดพอาะใจเดิน หนีไปเองเต่าก็ค่อย ๆ, ๆ, ๆคลานออกมาอย่างอิสระและเสรีมากงั้นเมื่ออกุศลมาเกาะจิตเราเห็นอกุศลตั้งที่จิตแล้วเราไม่ยอมไม่จิตอยู่ในอำนาจของอากุศลแต่อกุศลที่กระทบนั้นมันแรงมากมันยังกระยี้จิตเราอยู่แต่เราไม่ยอมอยู่ในอำนาจก็เลยใช้วิชาเต่ายกจิตกลับมาสู่ลมหายใจเข้าใจไหมยกจิตกลับมาสู่ลมหายใจเสียหายใจเข้าไม่สุด แล้วรู้สึกกับลมหายใจอลไรออกก่อนพอลมหายใจออกยาวๆและจิตเกาะลมหายใจเลยยกจิตกลับมาสูล่ลมหายใจยกจิตกลับมาสูล่ลมหายใจรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยจนกระทั่งอกุศลนั้นดับไปเพราะมันเป็นสภาวะที่มีการเกิดและการดับเป็นปกติของมันอยู่แล้วอืพอมันดับไปแล้วเราเป็นไงเราเต่าน้อยเป็นไงค่อยๆ ค, ค, คลานออกมาสบายๆ <laughs> เออ ั น, น, นี่วิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะต้องใช้ในชีวิตจริงของเราถ้าเราเปิดโอกาสให้อกุศลมันเกิดและครอบครมผลิตเป็นสําเร็จกิจของอกุศลหนึ่งครั้งมันลงไปถึงอนุสัยลึกมากหนึ่งครั้งนี้ไม่ใช่มันธรรมดานะมันไม่ใช่ว่าเกิดเกิดอกุศลหนึ่งครั้งจนจบไม่พอใจคนนี้ด่าว่าเขาจนกระทั่งเกิดการทะเลาะขึ้นมาไม่ใช่จบนะ ไอ้ที่ว่าต้องไปขึ้นโรงขึ้นสารเสียค่าปรงค่าปรับต้องให้พ่อแม่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาเจราจาออมชอมแล้เนี่ยเล็กน้อยเรื่องที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันลึกลงไปถึงอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ที่จิตของเรากว่าเราจะขุดเขาขึ้นมาได้กว่าเราจะขุดเขาขึ้นมาได้กว่าเราจะชำระสะสมล้างเข้าไปข้างในนี่มันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินไม่รู้จะกี่พบกี่ชาติอืมันยากขึ้นขนาดนั้น เพราะฉะนั้นก า, การที่เรามีสติสมาธิที่ผ่านการอบรมมาโดยระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยอย่ายอมต่ออกุศลอย่ายอมต่ออกุศลฝึกมันวันนี้มันเกิดสมครั้งสครั้งเอาให้ได้สักครั้งนะอสู้กับมันให้ได้สักครั้งเกิดสามครั้งสีครั้งเหตุมันดับไปโดยที่เราไม่ต้องไปตกเป็นธาตเป็นกิ่ข้าวของอกุศลได้หนึ่งโอ้ยสบาย ได้สักครั้งนึงนั่นแหละคือความอํานาจของสติและพระพุทธเจ้าลวงบอกว่าสติที่เราอบรมแล้วเจอแล้วเนี่ยมันจะ ก, กั้นกระแสนิรนันดร์แปลว่ากั้นกั้นกั้นกระแสสติเตสังนิวารณังแล้วสติเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสที่ว่าเนี่ยพอมันมีสติปั๊บมันก็ยืดมันก็กั้นกระแสได้ ถ้าไม่มีสติสติไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมมันสติมันอ่อนพอเกิดปั๊บครอบงําปุ๊บเหมือนเต่าที่ไม่รู้เรื่องอะ่ะเดินไปเห็นสุนัข ก, กิ้งจอกก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะสุนัขมื่อปั๊บก็งับปุ๊บนึกว่าระวังแต่หัวอย่างเดียวเต่ามันไม่งับหัวเลยมันงับขาตั้งสี่ตั้งสี่ขาข้างใดข้างหนึ่งมันก็งับได้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นภารกิจหลักในชีวิตประจำวันฝาก พ, พวกเราทุกคนไว้ว่าให้ แน่วแน่อยู่กับการที่ไม่ให้จิตอยู่ในอำนาจของอกุศลเมื่ออกุศลเกิดแล้วเนี่ยให้ดูจนอกุศลนั้นดับโดยที่จิตไม่ต้องตกอยู่ในอำนาจเขาโแล้วมันจะเกิดเป็นผลต่อการภาวนาของเราเยอะมากเยอะจริงๆแล้วเราจะเห็นชัดเลยทีนี้ถ้าเราดับอกุศลได้สักตัวหนึ่ง <c oughs> ค่อยๆดับมันไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าความเจ็บความปวดความอึอดอัด ความฟุ้งซ่านความห่วงงุนความอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นรายการเป็นเรื่องเป็นราวในจิตของเราในขณะที่เราภาวนาหรือขณะที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นอกุศลนั่งนั้นมันเป็นอกคุสนั่งนั้นเลยตัวเล็กตัวน้อยตัวเยอะตัวแยะทั้งไปหมดเลยแล้วมันมาจากไหนทีนี้ถ้าเราเดิมดับมันได้มันไม่ไปอยู่บนหน้าขเราแล้วมันเกิดบ่อยเราก็จะเห็นมาเหตุของมันที่มาของอกคุสนั้งหลาย ว่าออเนี่ยนี่มันมาจากอย่างนี้เนี่ยพอมันเริ่มมันเริ่ ม, ม, มตึงๆแถวบริเวณจมูกมันเริ่มอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มาแล้วมารู้แล้วเดี๋ยวตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นมาแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มาแล้วเออเพราะนันการการระวังจิตไม่ให้อยู่ในอำนาจของเงนสนจึงเป็นหน้าที่เป็นกิจที่พวกเราจะต้องทํากันและจะทำให้ชีวิตของเราจะมีความสุขมาก ที่เกิดคําว่าวิตกูปัสะเบริโตเกิดความยินดีในความสงบอันเนื่องจากอากูลนั้นดับถ้าเราไม่เห็นอกุสลดับในใจของเราเราก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสกับความว่าความยินดีกับความสงบได้เราไม่สามารถสัมผัสกับความสงบได้ถ้าเราสัมผัสกับความสงบไม่ได้ความยินดีในความสงบนั้นก็ไม่เกิดนี่ที่เ ร, เรียกกันว่าฉันทะฉันทะฉันทะ กลไกของการภาวนาบ่มเพาะจิตไปเรื่อยๆจนเกิดฉันทะที่ว่าฉันทะคือตัวนี้แหละอืมคือตัวนี้แหละเมื่อฉันทะตัวนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเอื้อไปหมดทุกอย่างอืมมันจะเอื้อไปหมดทุกอย่างไม่ต้องเตรียมการอะไรอยู่ตรงไหนก็มันก็เอาได้ทําได้ทํางานทําการอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนจะซักผ้าหุงข้าวกวาดบ้านอะไรต่างๆมันก็สามารถอยู่กับการภาวนาได้ตลอดระยะเวลา เพราะมันรู้จ้องดูรู้เห็นอยู่ตลอดแล้วอีหนึ่งฝากไว้เนี่ยช่วงท้ายเนี่ยนะก่อนที่จะจบแล้วก็สนทนากันมั่งใครมีปัญหาอะไรี่จะถามไหมฮะจะกลับอย่างเดียวแล้ววันนี้มีปัญหาก็ถามได้นะคุยกันได้ คือว่าอคุณสมันเกิดเนี่ยแล้วเราเราเห็นเราเห็นแล้วเราไม่สนใจมันหรือว่าที่การบอกให้ดึดขามาที่เราจาึงใจหรือว่าขยับน้นนูตัวเนี่ยถ้าเราเห็นมันบ่อยๆนี่ยคนนี้ที่คนที่เริ่มปวดคนที่แบบเริ่มไม่ใช่มืออาชีพอย่างเงี้ย <c oughs> เกิดขึ้นเยอะ <c oughs> เยอะเอะแล้วมันเราจะรับมั น, มนยังไงมันการเป็ว่า คือบางคนบอกว่าอะอาจจะเป็นข้อฟังมากเลยมากเป็นฟังที่ว่ความรู้สึกที่ปกติคนที่มีท่านหนึ่งในยูทูบบอกว่าความรู้สึกที่ปกติถ้าเราคนไหนที่ไปเห็นกีริย์เยอะไม่ใช่ว่าจะดีนะจะมาอยู่ความรู้สึกที่ปกติหนูว่าเออยอมว่าก้อนนี้มัน้็ถือปกติคือถ้าเห็นให้ มันผิดปกติมันตอนแรกถ้าเราคุณมันมนี่เราพูดกันถึงเรื่องคนที่ภาวนาไว้เราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องคนที่ชุ่มด้วยกิเลสเราพูดกันถึงเรื่องคนที่ภาวนาถึงจุดหนึ่งมันจะต้องดูไม่ยอมให้จิตอยู่ในอำนาจของอกุศลให้ได้ดการที่จะเห็นจิตไม่อยู่ในอำนาจของอกุศลได้นั้นหมายความว่ามันต้องเห็นอกุศลเกิด อากูจิตที่จะเห็นอกุศลเกิดหมายความว่าจิตต้องผ่านการอบรมมีสติสมาธิมาโดยประมาณพอสมควรแล้วจึงจะเห็นได้ไม่งั้นไม่เห็นหรอกมันมีแต่แกล้งเห็นเออเกิดขึ้นบ่อยๆเพช่างมาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อมีอกุศลเกิดเราปล่อยให้อกุสนอยู่เฉยๆเราไม่ไปสนใจมันแล้วเราไปทําอย่างอื่นมันก็ได้อยู่แค่นั้น เข้าใจเปล่ามันไม่เป็นสัประทานมันเราก็จะต้องดูอกุศลจิตจะต้องรู้ว่าอกุศลนี่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ดูมันให้มันดับถ้ามันไม่ดับเจตนาที่จะดูให้อกุศลนี้ดับมันเป็นความตั้งใจของเราใช่ไหมล่ะเออมันยังไม่ดับใช่ไหมมันยังกขยี้ใจเรามันยังอยู่เราอยู่และอกุศลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอกุศลมันไม่สามารถที่จะผ่านไปเฉย กับจิตที่ไม่มีสติมันเกิดปั๊บมันก็ครอบงําจิตเราเกิดปั๊บมันก็ครอบงาจิตเร า, เร า, ตเราแต่ทีนี้เราไม่มีความรู้มาว่าไม่ต้องไปสนใจอังคุศลปล่อยมันแล้วเราไปทําอย่างอื่นสมมุติว่ามันเกิดความโกรธแล้วโกรธ ต, ตรงนี้แล้วไม่เอาไม่ทําตามความโกรธเราหันไปทําอย่างอื่นจะไปอ่านหนังสือจะไปเวย่งว่ายน้ำว่าออกกําลังกายหรือจะไปอาบน้ําไปทําอย่างอื่นถามว่าได้ไหมจิตไม่อยู่ในอำนาจของอัุศนใช่ไหมใช่ แต่เราไม่ได้ปัญญาจิตไม่ได้สัมผัสความสงบเพราะจิตแทนที่จะเป็นภาระของอกุศลตัวนั้นก็ไปเป็นภาระของตัวอื่นเข้าใจไหมเป็นภาระของตัวอื่นแต่นี้ไม่ใช่เมื่อเราอบรมสติสมาธิของเรามาโดยประมาณแล้วเมื่ออกุศลเกิดขึ้นจงรู้ไว้ว่าอกุศลเกิด เ, เมื่ออกุศลเกิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็ ด, ดูมันเพราะมันอกุศลทุกตัว มันเกิดมาจากจิตและมันเกิดแล้วก็จะดับไปแล้วก็ดูไปว่ามันดับไหมถ้ามันยังไม่ดับเราก็ยกจิตกลับมาเพื่อรู้ลมหายใจต้องยกกลับมาเพื่อรู้กายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นต้องยกจิตกลับมาอยู่ที่กายหรือใจเท่านั้นยกจิตกลับไปอยู่ที่อื่นแล้วให้อากุศลนั้นดับไปไม่ได้มันอากุศลมันดับไปอยู่แล้วแหละแต่จิตจะไม่ได้ปัญญา เราต้องการให้จิตนี้ได้ปัญญาเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเกิดขึ้นขยี้จิตจิตดูจนกระทั่งเขาดับถ้ากําลังในการที่จะดูเขาดับไม่พอมันยังมีความเผลอคุ้นคิดอยู่ในอกุศล <S <S ก็ยกจิตกลับมาที่ลมหายใจหรือยกจิตกลับไปสู่การเคลื่อนไหวของเท้าไม่เดินไม่ไม่อยู่กับลมหายใจก็เดินจงกรมใช่ แต่เมื่อใดที่อากุศลตัวอันดับดูแล้วปับ๊บดับปับ๊บรู้เลยว่าอ๋อมันดับแล้วอกุศลตัวนั้นดับเกิดและตั้งอยู่และดับไปโดยการอะไรโดยการรู้เห็นของจิตที่มีสติและสมาธิในขณนะนั้นเพราะฉะนั้นอกุศลตัวอื่นที่จะเกิดมาเป็นลาดับไปมันก็จะถูกเราดูเห็นการเกิดและการดับง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้น นี่การบ่มเพาะของปัญญาตัวนี้จะต้องเรียกว่าส ม, มรภูานถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้มันก็ได้เรื่อยๆแหละมันก็คงเป็กมันก็สอนไม่เห็นนะคงเป็กในสามก๊กอะถ้ามันโกรธหงุดหงิดอย่าไปวางแผนกลยุทธ์ <c oughs> ให้ไปอาบน้ํา <c oughs> ถึงขนาดไปให้ตั้งวงกลงเล่าด้วยอย่าไปวางกลยุทธ์เด็ดขาดถ้ามันยังหงุดหงิดอยู่ยังอย่าไปวางกลยุทธ ให้ไปทำอย่างอื่นแต่มันไม่ได้ทมเพียนในการดับอกุศลของเรามันเป็นสมบัติฐานไม่ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสนมโทรภูมิแต่ว่าไม่สามารถ <c ười> นขณนะที่ว่าเราฝึกสติอยู่แล้วความคิดกุศลอะไรก็เกิดขึ้นมาอืแล้วก็เห็นความคิดรู้เรารู้ว่าอันนี้คือกาลังคิดแล้วเราก็ มันดับไปแบบแบคือโดยปกติเราจะไม่ตั้งใจดูจนความคิดดับมันตั้งใจไม่ได้แล้วมันเลยของโยมนี่มันเลยคือว่าอกุศลทุกตัวเมื่อสติและสมาธิมีกําลังพอสมควรเนี่ยพอมันเกิดปั๊บจิตไม่อยู่ในอำนาจของมันอ่ะมันรู้ว่าอกุศลเกิดปั๊บมันดับทันทีเพราะมันดับด้วยรู้พอรู้เกิดขึ้นปั๊บมันดับทันทีรู้เกิดขึ้นปั๊บมันดับทันทีรู้เกิดขึ้นปั๊บมันดับทันที แต่ถ้าสติและสมาธิของเรามีกําลังไม่พอแต่เรามีความตั้งใจที่จะดูการเกิดและการดับของอกุศลไม่ยอมไม่จิตอยู่ในนั้นใช่ไหมมันก็จะมีกําลังของอกุศลที่เกิดพอเกิดขึ้นปับ๊บมันจะมีกําลังของอกุศลที่เกิดเท่านั้นถ้ามันมีกําลังของอกุศลที่ยังเกิดและตั้งอยู่ยังไม่ยอมดับเราทําไมทำยังไงไก็ค่อยใช้วิชาต่อถ้ามันดับไปก็จบ ถูกไหมถ้ามันดับไปเราก็รู้อ๋อมันดับแล้วถ้ามันดับไปเราก็รู้วอ๋อมันดับแล้วดับไปเราก็อ๋อมันดับแล้วดับไปเราก็รู้ว่าอ๋อมันดับแล้วแค่นั้นอืมมััวนจะชไม่ใช่ไม่ใช่พอรู้ปั๊บมันดับเลยรู้ปั๊บมันดับเลยรู้ปั๊บมันดับเลยเบ็ไว้แต่สติกับสมาธิของเรามีกําลังอ่อนหรือสิ่งที่มากระทบนั้นแรงอืม เขาบอกกีเหร่กรธไหมตาเขยกรธไหมแล้วหนักกว่านั้นกรธไหมหนักกว่านั้นอีกหนักกว่านั้นอีกหนักกว่านั้นอีกโอเจะไอ้ที่ที่ที่โยมพูดอะเข้าใจไหมเข้าใจผลมันรู้ก็ปั๊บมันดับรู้ปั๊บมันก็ดับโดยปกติอันนี้เลยเรียกว่าปกติ ถ้าดับได้ไอตัวไหนที่มันเกิดด้วยขยี้ใจเราแรงมากนะและเราสามารถไม่อยู่ในอำนาจของมันและเห็นมันดับได้เราจะพบกับความสงบอย่างแรงและเราจะเห็นว่ามันจิตมันจะเบามากเลยจงขอบคุณอังกุศลตัวไหนที่ขยี้จิตเราแรงๆนะจงขอบคุณเขาเวลาเรารู้สึกว่ามันแรงนะนั่นคือเราตกอยู่ในอำนาจเขา เขาบีบคั้นนั่นคือเขาครอบงาจิตเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแก็พยายามกลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่มันไม่ได้ใช่ไหมมันยาาังก็ยีอยอย่อยู่ก็ยี่อยู่อยู่จนอยู่ไปอยู่มาแล้วมันก็หลับไปย่งไม่ใช <c oughs> ่นี่แสดงว่าเหตุแห่งอกุศลมันใกล้ๆเนาะอย่างเงี้ย <c oughs> พรมันสามารถอยู่จนหลับ <c oughs> <c oughs> จริงๆถ้ามันเกิด อ, อย่างนี้แล้วมันดับไปแล้วอย่างนี้ แล้วพอเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเราก็สามารถที่จะตามดูเขาได้นะอกุศลเนี่ยสามารถที่จะตามดูเขาว่าอกุศลตัวนั้นที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยดูว่าในกรที่เขากำลังครอบงมจิตเราอยู่เนี่ยเราตกอยู่ใต้อำนาจของอกุศลตัวนี้แล้วเราทำอะไรไปบ้างหรือถ้าเราไม่ได้อยู่ในอำนาจของอกุศลเลยคือว่าไม่ได้กายไม่ให้กายวาจาและใจของเราเป็นไปตามกาลังของอากุศล น, นั้นเลย เราก็ศึกษารายละเอียดก็ได้เพื่อให้มันเป็นธรรมวิจยะได้เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่ว่าอากุศลอื่นที่มันกาลังจะเกิดที่มันจะเกิดจะการกับมันได้แต่ว่าการที่ให้มันขยี้ที่ใจนะขอบใจมันเลยแหะอกุศลตัวไหนที่มันขยี้ เ, ยเรารู้สึกหนักมากเ่ย เพราะว่าพมันดับโดยโดยจิตที่เราสามารถรู้เห็นการดับขอมันได้มันจะโล่งมันสว่างก็จากข้าวสารกระสอบละร้อยกิโลก็เป็นห้าร้อยกิโล <c oughs> อ่ะเข้าใจไหมและก็ต่อเหตุแห่งอกุศลนั้นเอานี่เทคนิคนะเหตุแห่งอกุศลที่มันเกิดนั้นเช่นเป็นคนใกล้ตัวของเราเป็นเหตุแห่งอกุศลนั้น แผ่เมตตาเลยเมตตาจึงเป็นสิ่งที่ควรจะประพฤกทุกวันทุกวันกับคนในครอบครัวทั้งคนที่เราชอบทั้งคนที่เราไม่ชอบทั้งคนที่เรารักทั้งคนที่เราไม่รักทั้งคนที่เขาชอบเราและทั้งคนที่เขาไม่ชอบเราแผ่เมตตาทุกวันแผ่เมตตาบ่อยๆจิตมันจะนุ่มนุ่มนุ่มและมันง่ายต่อการมันง่ายต่อการที่จะหยุดอกุศลง่ายต่อการที่จะหยุดอกุศลให้แผ่เมตตาบ่อยๆคน ใช่ใช่เราไปจัดการตัวอื่นไม่ได้คน่อ่้ัเาไม่้่ามันมันยั่วยวนมันเหมือนมันเหมือนยุงนั่นแหละเหมือนยุงอะเราเราเหมือนยุงอะเราถือศีนใช่ไมล่ะเราสมาทานศีนเว้นจากการฆ่ามันมาแล้วไกลมาปืยกูถือศีนอยู่นะกูถือศีนอยู่นะ ม า, มาหูซ้ายปุ๊ฉันถือศีนอยู่นะฉันถือศีนอยู่นะถ้าปกติเป็นไงไปเยะแล้วแล้วมันรู้ไหมมันไม่รู้จากหูซ้ายมาหูขวาอีกแล้ <c oughs> จากหูขวามันมาที่ทอคอยอีกแล้วโอ้มันยั่วเหลือเกินแมเน่เราเราถือศีน <c oughs> <c oughs> เหมือนกันอืออืออืเพราะอาคูสนเ ร, เราระวังที่อื่นไม่ได้อาคูส น, นี่มันเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิต เกิดกับจิตของเรามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเราจะต้องเห็นการเกิดและการดับของมันเพื่อไม่ให้อกคศสุนนี้จะเรือนรุ่งเรืองในจิตของเรา <c oughs> แต่ถ้าฟังแบบโยมพูดนี <c oughs> ก็น่าเห็นใจจริงๆนะ <c oughs> แต่สุดท้ายนะสุดท้ายเราก็ต้อง <c oughs> เราก็ต้อง เราจะต้องไม่ให้อากุศล น, นั้นเป็นใหญ่ในใจของเราออื้ถาาเรไม่ใช่เราดับอกุศลนะเราเห็นอกุศลของเราดับโดยที่เราไม่อยู่ใ น, นอำนาจั้งมันถ้าอากุศล น, นั้นต้องถามว่าถ้าอากุศล น, นั้นดับไปออือม นี่ปัญหาของคนเราแหละเพราะอันนี้คือความอยากได้คือพอเห็นอกุศลคือดับไปแล้วดับไปแล้วที่แสดงว่าจิตของเรามันดีได้ใช่ไหมมันเป็นมันเป็นความมันเป็นความอะไรอ่ะเห็นอกุศลมันดับแล้วดับแล้วดับแล้วก็แค่เห็นมันดับไปนั่นแหละอย่าไปหวังอะไรเลยนะแค่เห็นมันดับไปจิตไม่ตกอยู่ในอนาจของอากุศลเมื่อใด อกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถครอบความจิตของเราได้เมื่อใดให้รู้ภาวะเป็นแบบนั้นให้มันทรงตัวความเป็นอย่างนั้นไว้แล้วไปจะเกิดความสงสัยว่าอันนี้เป็นอนุมานของอํานาจของสัญญาะเฉยๆว่านี่เราเนี่แน่แล้วนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรานี่อือ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมสักนิดนะสักนิดอย่าไปอย่า อย่าไปใส่ใจแบบนั้นเพราะแบบนั้นมันคือการปรุงแต่งของจิตที่เป็นอกุศลเหมือนกันเข้าใจปะมันเป็นการปรุงแต่งของจิตซึ่งตัวนั้นก็เป็นอกุศลเหมือนกันให้มันทรงตัวอยู่กับภาวะที่มันเห็นอกุศลนั้นดับไปขอแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นก็บอแล้วที่ที่ตมาบอกว่ามันเป็นความสงบมันการยินดีในความสงบจริงๆแล้วมันไม่ควรพูดด้วยซ้ําเพราะมันจะเกิดขึ้นเอง พอพูดไปบางทีโยมก็หลวงพ่อบอกมันสงบยินดีในว่าทำไมมันยังไม่เกิดวะหรือมันเกิดแล้ว <c oughs> ม, มันเป็นการพู ด, พดนําแล้วเราก็เลยคิดกันจริงๆเราไม่ต้องคิดหรอกมันให้มันทรงตัวอยู่การเห็นอกุศลที่มันเกิดนั้นดัดโดยที่เราไม่อยู่ในอำนาจของมันเพียงพอทรงตัวอยู่อย่างนั้นไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ อ, อ, อ, อ, อืมมีคําถามไหมเอาสักคําถามนะ มีไหมคนนี้มีไหมถ้าเรามีเจตนาดีแต่ว่าคำพูดของเรามันแรงไปเราเจตนาดีคําพูดของเราแรงเจตนาดีคำพูดของเราแรงมันเป็นอกุศลหรือไม่จะเป็นอกุศลหรือไม่เป็นอกุศลเรานี่แหละรู้ในการกระทําของเรานะ ถ้าหากว่าเจตนาที่มีความคาดหมายว่าให้เขาเป็นไปดังที่เราคิดและเมื่อเขาไม่เป็นไปดังนั้นเราก็พูดแรงขึ้นไปเรื่อยๆแรงขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราหวังว่านี่คือเจตนาดีอันนี้เป็นอกุศลนะอันนี้เป็นอกุศลนะเพราะมันแรงที่แรงมันแรงด้วยอำนาจของโทสะ เราบอกเราเจตนาดีเหลือเกินแต่พื้นฐานเบื้งหลังปัจจัยเหตุแองว่าจาแห่งการพูดนั้นคือโทสะโทรสะเป็นอกุศลหรือกุศลอะเออโยมตอบเองได้เพราะฉะนั้นตรวจสอบไปมันละเอียด <c oughs> <c oughs> ม, มีคำถามอีกไหมอย่างหนึ่งที่ฝาก ถ้าแบบนี้นะโยมนะอย่างหนึ่งที่ฝากยับทุกคนในครอบครัวแผ่เบตาให้หมดให้จิตมันมีความเกาะเกี่ยวด้วยด้วยความเบตาเบตานี่ดีสําคัญมากหรือเราแผ่เบตาแล้วไม่จําเป็นว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นอย่างไรแต่หมายถึงจิตเราแผ่เบตาให้หมดแผ่บ่อยๆ่อยแผ่ได้ทุกวันเช้าก็แผ่เบตาเย็นก็ต้องแผ่เบตาก่อนเข้าบ้านนี้แผ่เบตาไปก่อนดักไว้ ฮะแผลไมตาทำยังไงเออเอาคนในครอบครัวก่อนเนะคนที่อยู่ด้วยกันก่อนยกจิตของเราให้มีความปรารถนาดีที่หลั่งไหลออกไปสู่บุคคลคนนั้นยกจิต ยกความปรารถนาดีที่ตั้งอยู่ที่จิตของเรานะให้มันหลั่งไหลออกไปสู่บุคคลคนนั้นที่เรารู้จักยกความปรารถนาดีนั้นออกไปให้เขามีสุขภาพแข็งแรงให้เขามีความสุขให้เขาได้อย่างนั้นให้เขาได้สมตามความปรารถนาของเขาให้เขาอายุยืนให้เขาปราศจากความทุกโศกให้เขาปราศจากโรคเป็นความปรารถนาดีที่ตั้งขึ้นที่จิตแล้วมันหลั่งไหลออกไปหลั่งไหลออกไปหลั่งไหลออกไปหลั่งไหลออกไป ต่อคน่นนั้นทําบ่อยๆรอบตัวด้วยนะไม่ใช่ว่ามันมีวงเล็บว่าคนนี้โน no. <c oughs> <c oughs> มีไหมมีไหมบางคนแผ่ไม่ตานะโอ้ยแผยกเว้นคนนี้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่มียกเว้นพยายามฝึก เพราะผลมันจะเกิดมันไม่ได้เกิดที่อื่นนะมันเกิดขึ้นที่จิตเราถ้าเราโนสักคนหนึ่งมันจะพื้นที่ของโทรศัพท์มันก็ถูกยึดไวย้ยึดไวย้ยึดไว้จิตมันก็จะกระด้างยังวากเรื่องการแผ่เบีตาไว้ทาบ่อยๆรับพรเด้วยก่อนนะ อิจิตังปติตังตุมหังคิประเบวะสะมิเชตุสเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนารโสยทธามาณิโชติระโสยทธาอภิวัตนาสีลิสานิจังวุธาปจายโดจัตารโอธรมมาวตันติอายุวันโดสุขขังพระลัง